อนนอดน้อมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจโดยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นอรหันต์ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอเต้าโดยพระองค์เองขอกราบคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์และเพื่อนพระจุสมนเนตรทุกรูกขอเตรนในธรรมได้ญาติโยมนักปฏิบัติทุกทุกท่าน ช่วงเช้าวันนี้อาตมาก็ได้รับโอกาสจากคณะพรูาอาจารย์ให้เป็นพิทีแสดงหรือกล่าวพระธรรมเพื่อเป็นแนวทางแห่งการพิสิบัติของเราท่านทั้งหลายตามที่ควรแก่เวลาเราทั้งหลายนั้นต่างก็เป็นท่นวนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันการที่มาปฏิบัติธรรมนี้ก็เพื่อที่จะหาหนทางหรือในการที่จะมาสแสวงหาทางดับทุกข์ให้แก่ตัวเองอันนี้จือว่าเรามาปฏิบัติธรรมราะการปฏิบัติธรรมของเรานั้นก็ต้องอาศัยการได้ยินการได้ฟังการได้ศึกษาพระธรรมคำสอน เพื่อที่จะได้นํามาเป็นสิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติที่กายที่วาจาที่ใจของเราเพราะว่าเรานั้นเป็นผู้ที่ยังต้องแสวงหาหนทางอยู่หนทางนั้นมีมากมายหลายหนทางแต่องค์พระเดชพระผมีพระภาคเจ้านั้นทรงแสดงหนทางที่ประเสริฐอันประกอบพระองค์ตระกอบต่ององตบาง เป็นสิ่งที่เป็นทุนทางปฏิบัติของชาวพุทธเราทั้งหลายเป็นการเริ่มต้นด้วยความเป็นที่ที่มีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกที่ตรงตามสัจจะตามความเป็นจริงเมื่อสัมมาทิฏฐิทุกความเห็นที่ถูกต้องเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วการดํานิมันก็ถูกต้องเป็นธรรม การกล่าววาจาก็ถูกต้องเป็นธรรมการประกอบการงานก็ถูกต้องเป็นธรรมการประกอบชีพเลี้ยงชีวิตก็ถูกต้องเป็นธรรมการประกอบความเพียรก็ถูกต้องเป็นธรรมการที่จะมีสติระลึกก็ลึกชอบถูกต้องเป็นธรรมแล้วก็การที Again, ่จะตั้งใจก็ตั้งใจมั่นชอบเป็นธรรม ว่าองค์แห่งสมาธิิเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นหนทางอริยมรรคที่มีองค์เปิดประการนี้จึงเป็นหนทางดําเนินชีวิตอันประเสริฐของชีวิตมนุษย์เราหากว่าทุกท่านทุกคนได้เดินตามทางหลักหรือตามทางแห่งอริยมรรคนี้แล้วเนี่ยก็จะเป็นหนทางไปสู่ความดับทุกข์ดับกิเลสดับตัญหาดับอุปาทานที่เกิดขึ้นในจิตใ จ, จของเรา เพราะการปฏิบัติธรรมนั้นต้องอาศัยหลักธรรมหลายหลักที่จะมาประคับประคองในการปฏิบัติของเรานั้นให้เจริญก้าวหน้าสืดไปเพราะว่าองค์แห่งสัมมาทิฏฐิหมายถึงความเห็นที่ชอบที่ถูก ท, ที่ตรงที่เป็นธรรมให้เห็นถูกประจากคำนองของธรรมเพราะความเห็นถูกต้องนี้มีทั้งปริยายเรื่องต่ำปริยายเรื่องสูง เราก็มีทั้งโลกิยธรรมและโลภิปัจธรรมมีทั้งศีลธรรมมีทั้งปรมัตตธรรมอยูในสิ่งที่เป็นสมาทิฏฐิเพราะนั้นสมาทิฏฐิในขั้นเรื่องต่ําก็ต้องอาศัยการศึกษาในหลักศีลธรรมหรือทำความเห็นให้ถูกให้ตรงในส่วนที่เป็นศีลธรรมเช่นความดีความชั่วบาปบุญผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วนั้นเป็นของที่มีจริง หรือจอมนภูผู้ปฏิบัติที่รู้เข้าใจโลกนี้โลกหน้านั้นเป็นผู้ที่รู้ได้จริงเช่นนั้นบิดามารดาก็เป็นผู้ที่มีคนนี่ชื่อว่าเรามีความเห็นที่ถูกต้องในดักในหลักที่เป็นศีลธรรมอันเป็นเหตุที่จะสนับส น, นุนให้เรานั้นได้ปฏิบัติปฏิบัติในส่วนที่เป็นเ อ, อประตนตธรรมหรือส่วนที่เป็นโลหุรธรรมนั้นให้สูงยิ่งขึ้นไป ดังนั้นสายที่เป็นศิลธรรมเนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะดูถูกหรือว่าไม่ควรที่จะละเลยไปก็ต้องทำความเข้าใจของเรานั้นให้มันรู้มันเข้าใจตั้งแต่การเริ่มต้นของการประพิจารณาปฏิบัติเพื่อเป็นการฝึกการหัดการกระทาําความเห็นนั้นให้ถูกให้ตรงถ้าเกิดเป็นมิจฉาทิฐิหรือมีความเห็นในทางทีง่ผิดไปแล้วเนี่ยการที่จะวขวนขวายการที่จะประกอบผิด ในการที่จะเริ่มทำผลกุศลนั้นมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นมาได้เช่นเห็นว่าตายแล้วศูนย์ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยที่จะสืบเนื่องต่อไปอีกดูหเหตุว่าตายแล้วเกิดอีกไม่มีที่สิ้งสุดไม่มีเหตุมีปัจจัยที่จะทําให้สิ้งสุดเช่นเกิดอะไรก็เกิดเป็นอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนไม่แปลนี้อาจจะเชื่อเป็นเหตุให้เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นมาได้ เพืไม่ประกอบกิจขวนขวายในการที่จะดำรงชีวิตให้พ้นไปจากความทุกข์มีแต่การที่จะสะสมความสุขที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอันเป็นการเบียดเบียนตนเองหระบุคคลอื่นด้วยความโลภความโกรธความหลงความวานนาความประมาทฉะนั้นสัมมาทิฏฐินี้จึงเป็นสิ่งที่เป็นเบื้องแรกเบื้องต้นของพุทธบริษัทที่จะพึงให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเรา เพรจุดที่เป็นมุฒิาทิฏฐินั้นท่านผู้รู้ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อเกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วมันเป็นโทษเป็นภัยยิ่งกว่ามหาโจนที่โกรธแค้นมหาโจนที่จะพึงทําลายล้างซึ่งกันและกันแล้วก็สิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่ก็เป็นประโยชน์เป็นคุณมากยิ่งกว่าบิดามารดาผู้รักถนอมบดเลี้ยงดูบุตรให้มีความสุขพ้นเจริญ เพรบุคคลที่มีสมา ธ, ธิิแล้วเนี่ยย่อมจะมีจิตสันขวามในการที่จะฝึกฝนอบรมตนเองนั้นให้จิตใจนั้นได้ประสบพูงส่งหรือพ้นไปจากความทุกข์ต่างๆดังนั้นองค์แห่งอริยมรรคที่เป็นสมาธิธนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่ทําให้เราดำเนินชีวิตไปสู่แนวทางหรือว่าการดํำรงชีวิตอันประเสริฐเพื่อเป็นการที่จะขจดัดปัดเป่าความทดต่างๆนั้น ให้ปราศนาการหรืออพ้นไปจากความทุกขานั้นหรือความมืดเหล่านั้นฉะนั้นองค์แห่งเป็นผู้ที่มีสมาธิสีนี้เมื่อสมาธิสีเกิดขึ้นก็เป็นองค์ปัญญาที่จะทําให้เกิดความดําริหมายถึงความนึกความคิดในทางที่ถูกต้องเพราะความดำริที่ถูกต้องนั้นคือดําริที่จะออกจากกามคุณเพราะเห็นว่ากามคุณรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆนั้นเป็นบ่วง ที่จะผูกมัดลัต ด, ดึงจิตใจของเร า, าทั้งหลายนั้นให้หลงติดอยู่ในอารมณ์ในกองทุกข์ต่างๆหือหลงอยู่ในโลกเพราะถ้าเรามีจิตที่บาลุและมีการบาลุที่จะออกจากกรรมออกจากทวารบ่าออกจากรรออกากรเดีดเดียนเนี่ยจึงเป็นการบาลุที่ชอบที่เป็นธรรมเพื่อที่ออกจากความทุกข์ทั้งการบำลุนี้ก็ต้องประกอบอยู่ด้วยองค์ของมรรคทั้งเจ็ดประการก็ต้องมีสมาธิธิ จนถึงสมาธินั้นเป็นสิ่งที่คอยสนับสนุนอยู่เพราะการดําิบนั้นต้องอาศัยสิ่งอื่นสนับสนุสนเช่นเดียวกันต้องเป็นผู้ที่มีสติเช่นเดียวกันในการดําิษฐะดำดิษฐ์ไม่ถูกต้องมันก็เกิอดกิเลสเกิดตำหาเกิดดุปาทานเกิดความทุกข์ปวดร้อนขึ้นมาแต่ถ้าเราดําิษฐในทางที่ถูกในทางที่เป็นสัจจะคืรู้เท่าต่อสังขารความเป็นจริงแล้วเนี่ย การ บ, บัณฑิตนั้นมันก็เป็นเปตาเพื่อคลายเพื่อออกจากความทุกข์เพื่อความไม่หมกมุ่นหรือไม่จิตอยู่ในกามะคุณเพื่อไม่มีการป่วยบาปไม่มีการเดียดเบียนจิตมันก็จะโปรงง่งโล่งเพราะการ บ, บัณฑิตในทางที่ถูกต้องในที่ว่าเป็นมรรคหรือว่าเป็นองค์ที่สองแห่งตรงแห่งอริยมรรคมีองค์แปดประการแล้วองค์แห่งที่สามนั้นเป็นผู้ที่ต้องประกอบด้วยสัมมาวาจาหรือว่ามีวาจาในทางที่ชอบ เพราะคนเรานั้นอยู่ในสังคมก็ต้องมีการพูดการแสดงการเกรจาหรือการกล่าวพ่ายคำซึ่งกันและกันเราะนั้นผู้ที่จะพิบัติธรรมก็จะต้องเป็นผู้ที่คอยสารวมระวังในการพูดการจาหากพูดดีพูดในสิ่งที่ถูกที่ตรงในสิ่งที่ดีงามแล้วมันก็นำประโยชน์สุกมาให้แก่บุคคลผู้พูดหากพูดนวทางไม่ดีพูดเท็จพูดหลอกลวงพูดโกหก พวกต่อเกียพูกคาหยาบพูดเทเ้เจ้เหล่านี้มันก็เป็นเหตุที่จะถ ก, ก่อให้เกิดการทะเลวิวาสเกิดการถกเถียงเกิดการเาบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เป็นสมาวาจาถ้าเราพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดในสิ่งที่เป็นสัจจะไม่หลอกไม่ลวงซึ่งกันและกันมันก็คป็นองค์มรรคเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องในทางหลักวาจาพป็นองค์แห่งศูนเป็นการรํารวมระวังในศูน เพื่อทําให้จิตใจได้เกิดความเป็นปกติเพราะการพูดกันจาและองค์แห่งที่สามในอริยมรรคท่านก็พยายามเน้นถึงการประกอบการงานหรืออาชีพการงานเนี่ยพราะเป็นชาวพิษแล้วต้องมีการมีงานมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำสำหรับนักปฏิบัติแล้วต้องเว้นขาดจากการฆ่าการเบียดเบือนหรือการลักขโมยหรือเอาสิ่งของของผู้อื่น อันนี้ก็เป็นหลักทางการที่ทําสีนั้นให้สะอาดโดยจดเพื่อสะอาดโดยสุดหมดจดในการรับหน้าที่การงานนี่ก็เป็นหลักข้อที่สามแล้วหลักที่สี่เป็นหน้าที่ของการประกอบอาชีพของชาวพุทธเราการประกอบอาชีพนั้นต้องไม่หลอกลวงต้องไม่โกงต้องไม่ ไ, ม ไ, มไปเบียดเบียนเอาทรัพย์ของผู้อืน่นมาเลี้ยงชีวิตของเราหรือไม่เป็ลอกผู้อืน่นมาเลี้ยงชีพนี่คือหลักการประกอบอาชีพที่โดยสุด ในการดำเนินชีวิตอันเปรตแล้วอย่างข้อที่ห้าการประกอบความภาคเทียมการประกอบความภาคเทียมในฝายที่เป็นหน้าที่การงานหรือการทําความเทียมในส่ายโลกก็ดีในส่ายทำก็ดีถ้าเรามีความขยันบั่นเทียนอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะทําให้บรรลุ ถ, ถึงเป้าหมายได้ เพราะทางพุทศาสนาก็เน้นหนักเรื่องความเพียรได้มากมายที่ฉันกล่าวเป็นพาสิตว่าเพียรณทุกขมัติเจติบุคคลจะเลื่องทุกได้เพราะมีความเพียรมีความพยายามมีความบักบั่นบันขยันในหน้าที่เช่นเราเป็นผู้ที่ประพฤตปฏิบัติธรรมมาเจริญธรรมฐานเนี่ยต้องเป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรในหน้าที่ของเราในการที่จะฝึกจิตในการจะอบรมจิตในการที่จะเฝ้าดูจิตในการที่จะมีสติ ในการรู้เท่าทันจิตทั้งเรานั้นต้องอาศัยความเพียรเป็นการโดนจงกรมก็ดีการสร้างจังหวะก็ดีหรือการทํความรู้จิตตัวให้ติดต่อนี่ก็ดีด้วยลักษณะผู้ที่บาเพ็ญตบะแตะบำเพ็ญความเพียรในการเผาเผาจิเลิศในการเพียรสํานรณระวังอวัตนะตาหูสมองรุ้นกายใจเพื่อที่จะละวางมาให้บาปนั้นมันเกิดขึ้นกับจิตกับใจหรือบาปมันเกิดขึ้นแล้วความโลภ ก, กดหลงมันเกิดขึ้นแล้ว ก็มีความเพียรมีความพยายามในการที่จะละบาปเหล่านั้นให้หมดไปจากจิตจากใจแล้วก็เพียรพยายามที่จะคอยทํากุศลต่างๆเศรษฐียังไม่มีก็ประกอบทําให้เกิดให้มีขึ้นกับตัวของเราเองสมาธิยังไม่เกิดก็พยายามที่จะสร้างจิตให้เป็นสมาธิให้เกิดเมือ่อปัญญายังไม่มีก็พยายามที่จะเจริญปัญญาทำความรู้สึกให้ ม, กมากๆ แล้วสีพันธุตัญญาก็จะเกิดเมื่อศีพันธุตัญญากเกิดขึ้นก็ต้องคอยสารวมระวังรักษาส่วนเหล่า น, นั้นเอาไว้ไม่ให้ลืมไม่ให้หลงนี่ก็คือว่าเราเป็นผู้ที่บาเพ็ญความเพียรหรืมีความเพียรในการที่จะฝึกพลังลมจิตใจความเพียรนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องกระทำในการที่จะปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยหากว่าเราประมาทไม่ประกอบความเพียร เห็นแต่หลับนนเห็นแนอ น, นเห็นแต่การกระดวกสบายเห็นแต่ความสุกสนานเพลิดนแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้จะเข้าใจสัจจะหรือเข้าใจธรรมะของพุทธองค์ได้เพราะนั้นต้องอาศัยความภาคเพียรนะละความหนดหน่วยหรือทําความเพียรนั้นให้ติดต่อเป็นลูกโซ่ที่ว่าเราได้ทําความเพียรในการที่ประพิบดปฏิบัติทำและองค์แห่งที่หกและองค์แห่งที่เจด หมายถึงการมีสติริ้จาสติมีการระลึกที่ชอบมันลึกที่ชอบระลึกในธรรมที่เป็นกุศลระลึกรู้จายการที่จะเป็นสติถ้ากล่าวตามหลักของปุสิยปฐานแล้วก็ระลึกรู้เป็นไปในกาในเวทนาในจิตในธรรมคําว่าในกานี้หมายถึงความความทางความรู้สึกรู้สึกตัวเพื่อพร้อมที่เป็นกาย กายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนกายคู่กายเหยียดกายเคลื่อนไหวโยบกต่างๆเป็นผู้ที่มีสติระลึกรู้สึกตัวที่พร้อมในขณะที่เคลื่อนไหวไปมาเป็นการที่จะผูกจิตให้มาอยู่กับกายให้จิตนั้นรู้สึกอยู่กับกายพธรรมชาติของจิตแล้วมันไม่อยากจะรู้สึกกับกายมันจะรู้สึกอยู่กับอารมณ์รู้สึกกับความนึกความคิดการปรุงการแต่งมันกับสิ่งภายนอกอารมณ์ภายนอกเส่วนมาก แต่ถ้าเรามาพิจารณากายมาดูกายทำความรู้ความเห็นที่เป็นภายในกายแล้วเนี่ยจะเกิดความฉลาดความรู้ความเข้าใจจะเห็นร่างกายนี้ตามความเป็นจริงเห็นความเป็นธาตุเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกิดขึ้นกับกายกายยูนเป็นทุกข์กายหน้าเป็นทุกก็จะรู้จะเห็นอนัตตาโดยมาพิจารณากายมากําหนดรู้กายอยู่เบาไวเนี่ยทาให้เกิดปัญญาในส่วนที่เป็นสมถะแล้วก็ส่วนที่เป็นวิปัสนา ในส่วนที่เป็นสมถะกับบายตึงการทําให้จิตใจนั้นเกิดความสงบในขณะที่เรามาดูความเคลื่อนไหวมาทําจิตที่กําหนดรู้อยู่ในความรู้สึกในการเคลื่อนไหวอยู่จิตก็ไม่คล่องแลวแลวหรือไม่ไหลไปกับอารมณ์ความคิดจิตก็จะเกิดเป็นสมถะเกิดคำสมถระงับขึ้น น, ะนั่นก็เรียกว่าเป็นอุบายในการที่จะสมถะระงับจิตใจทําให้จิตใจ น, นั้นไม่มีสิ่งที่กาหนดรู้อยู่นี่เป็นการมาดูกใจนี่ หลักของการดูเวทนาโดยจิตดูธรรมนั้นมันเป็นเรื่องของการที่เราไปเท้าดูอาการของจิตหรืออาการของความรู้สึกที่มันปรากฏเกิดขึ้นแต่ละขณะขณะที่มันมีอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยเวทนาหมายถึงความรู้สึกที่เป็นสึกเป็นทุกข์ที่ปรากฏเกิดขึ้นเกิดายก็ดีเกิดขึ้นทางจิตก็ดีหรือความรู้สึกที่เป็นธรรมดาที่ปิดเฉยอยู่ก็ดีนี่หลักเรียกว่าเป็นเวทนาที่มันกําลังเกิดขึ้นหรือความพอใจไม่พอใจความสุขความทุกข์ที่กังเกิดขึ้นก็ มีสติในการจะรู้ทันต่ออารมณ์ของเวทนาหรือการสะเวอารมณ์ต่างๆที่มาเกิดขึ้นในจิตของเราเพราะฉะนั้นตัวเวทนานี้ถ้าเราไม่มีสติไม่มียาไม่มีปัญญาเข้าไปยังรู้มาแล้วเนี่ยก็ต้องไปหลงอยู่ในเวทนาหลงอยู่ในความสุขกวามทุกข์ไม่สามารถที่จะถอดความรู้ออสึกรื้อถอนสติปัญญาออกมาดูมารู้มาเห็นมันได้ก็เข้าไปเป็นสุขเป็นทุกข์กับเวทนากับการสะเวอารมณ์ ดันั้นโดยทนานี้ต้องอาศัยสติรู้ปัญญาเตือยามเตือความรู้เนี่ยเข้าไปกำหนดรู้เช่นเดียวกันทีนี้หลักของการดูจิตคําว่าจิตหมายถึงสภาพที่มันนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆนะนนึกคิดปรุงแต่งในส่นดีบ้างไม่ดีบ้างหรือในส่วนที่เป็นกลางๆอยู่บ้างที่มันนึกคิดอยู่ในจิตในใจนั้นเรียกว่าจิตสภาพที่มันนึกมันคิดมันปรุงมันแต่งเป็นสังขารออกไป หากว่าเรามาดูมันมีสติในการที่จะกำหนดรู้ดูมันอยู่บ่อยๆสภาพของอารมณ์ความคิดที่เปล่งแต่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมาเห็นสภาพความจริงความปวดความดัดในการที่มันนึกมันคิดมันเปล่งมันแต่งระการผลการรู้การเข้าใจดูหลักของฐานจิตคอยเฝ้าคอยระวังคอยสังเกตอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับจิตกระจายแล้วเนี่ยจะสามารถที่จะรู้ถ้ารู้ทัน รู้กันรู้แจ่วรู้จักเอาชนะกิเลสต่างๆที่มันจะพึงเกิดขึ้นกับจิตกับใจได้ที่ลักษณะของการมาดูทำทำหมายถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจในขณะที่ตาได้เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้เล็บกายได้สัมผัสใจได้น้อมนึกนึกถึงอดีตอนาคตหรือดวงแต่งอะไรก็ตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจนั้นเรียกว่าธรรมในส่วนดีเรียกว่าเป็นกุศลในส่วนที่ว่าเรียกว่าไม่ดีก็เป็นอกุศลนึกเป็นบาป มันเกิดขึ้นกับใจแล้วจะเป็นฝ่ายสมาธิจิตหรือจะเป็นปัญญาเป็นความรู้ที่มาเกิดขึ้นนรืจะเป็นฝ่ายความโลภความเกลียดความโกรที่มันเกิดขึ้นกับใจแล้วต้องดูต้องรู้เท่ารู้ทันนี่คือการมารู้เท่าทันต่อทันรู้รู้สภาวะรู้สภาพความเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงของสภาพสังขารร่างกายก็ดีของจิตใจก็ดีคือรู้เท่ารู้ทันเห็นสภาพควารจริงอย่างนี้อยู่บ่อยๆก็ทําให้จิตนั้นได้คลาย ความยึดถือหรือคลายความแบกอารมณ์เหล่านั้นคลายจางออกไปนี่ชื่อว่าการมาดูกายเวทนาปิธ ร, รันที่ในหลักปฏิบัติของเราเพื่อที่จะเป็นการย่นย่อหรือเป็นการทาความเข้าใจในหลักปฏิบัติให้มันกระชับให้มันเข้าใจเจ้าจอหรือว่าเข้าใจในสิ่งที่มัน อ, อยู่ใกล้ตัวที่สุดนี่ระบัดพูดถึงการเจริญความเพียรหรือการมาเจริญสติซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องสติเรื่องเดียวแต่สตินี้ก็ประกอบอยู่ด้วย ศีลประกอบอยู <át> ่ด้วยสมาธิและประกอบอยู่ด้วยปัญญาไม่ใช่สติอย่างเดียวสติเลื่อนลอยปัจติอันนุตเป็นจติที่เป็นกุศลมันถึงพร้อมในองค์แห่งศีลสมาธิปัญญาที่พร้อมอยู่ในองค์มรรคอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสติที่มันละลึกชอบเนี่ยมาถึงละลึกอยู่ด้วยศีลอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยธรรมสิ่งใดที่มันผิดศีลผิดสมาธิผิดธรรมแล้วเนี่ยสติมันจะรู้สิ่งใดที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแล้วเนี่ยสติมันจะรู้ สิงใดที่เป็นสิ่งที่ผิดสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกฉะนั้นสตินี้จึงประกอบอยู่ด้วยองค์มรรคทั้งเจ็ประการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเมื่อมันละลึกเป็นทางที่ถูกมันก็เป็นสมาธิถิติละลึกเป็นทาที่ผิก็เป็นมิจฉาทิฐิฉะนั้นตัวสตินี้จึงเป็นตัวสัมมาสติที่เราจะต้องเจริญองค์สติจัตฐานทีนัการเจริญสติหรือการทําสตินี้เรามาเน้นกันมากในหลักการปฏิบัติว่าองค์สตินี้เป็นองค์ที่จะคอยประคับประคององค์มรรคทั้งหลายนั้น มาให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องพเพราะว่าสตินี่คือตัวความรู้สึกร ล, ลึกได้ในขณะที่จะทำก็ดีในขณะที่จะพูดก็ดีหรือในขณะที่จะนึกคิดอะไรขึ้นมาก็ดีสติก็เป็นผู้ที่รู้รู้ก่อนและตัวยานตัวปัญญา น, นั้นจะเกิดขึ้นตามมาเมื่อภายหลังฉะนั้นแม่ทับมากขือตัวสติที่เราจะต้องฝึกต้องทําให้เะโดนให้เกิดขึ้นเพราะว่าเราใช้ทุกประจําวันอยู่นั้นเพราะอาจจะไม่ได้ใช้สติ หรือไม่ได้ใช้สติที่ถูกต้องเราอาจจะระลึกได้แต่ระลึกไปตามกิเลสรู้ไปตามกิเลสเห็นไปตามกิเลสไปตามความโลภความโกรธความหลงที่เป็นสติที่อยู่ใต้อำนาจของกิเลสที่ยังไม่ใช่สติที่เป็นสตุที่อยู่เหนือกิเลสดังนั้นที่เราจะมาฝึกสตินี้เพื่อเป็นมหาสติเป็นสติที่ใหญ่เป็นสติที่สามารถที่จะรู้ท่ารูทัลุก้กั้นกระแสอารมณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นกับภวัน ตาหูจมูกลิ้นก่ายใจของเราได้ทั้งการเตรอนสติจึงต้องอาศัยวิธีการอาศัยรูปแบบในาการที่สุกผัดให้มันตกวดให้มันมีขึ้นโดยการมกากำหนดปริยาบทต่างๆเช่นเดินจงกลมเดินกลับไปกลับมาเนี่ยพยายามจะให้มีความรู้สึกในขณะที่ก้าวไปตัวละก้าวเนี่ยอย่าให้ก้าวไปแบบฟรีๆคือให้มีความรู้สึกกําหนดรู้ไปด้วยในขณะที่ยืน เดินนั่งนอนคูดเหยียดเคลื่อนไหวต่างๆเมตตาญาณจะย่อยกับพิ ต, ตาอา้าปากหายใจต่างๆที่มันมีขึ้นหรือเป็นการเคลื่อนไหวยาณในส่วนละเอียดก็ต้องใช้สติในการที่จะกำหนดรู้ถ้าเราไม่กำหนดแล้วไม่สามารถที่จะรู้ได้วันๆหนึ่งจะหาว่าเราไม่กำหนดเช่นการพิตาเนี่ยการพับตาเนี่ยถ้าเราไม่กำหนดแล้วเราจะม่รู้ว่าเราพิตาใจเราก็ไปอยู่กับอารมณ์อื่นรู้สึกในสิ่งอื่น ถ้าเราบังเบ็ดแล้ ว, ลวโอ้นี่เรานั่งพิจัยเนี่ยเราก็เห็นชัดรู้ชัดรู้สึกชัดอยู่ในขณะนี้อาลมหายใจก็เช่นเดียวกันแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจก็บเบ็ดแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันหายใจเข้าหายใจออกแต่เราไม่รู้ว่าไปรู้สึกอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะรู้ไปจับความคิดอารมณ์ปล่อยใจล่องลอยไปจับความคิดต่างๆอาวุ่นวายตัดเศษไ่กับอารมณ์ความคิดไม่เคยไปอยู่กับความรู้สึกผลพลาดแห่งความรู้สึกเนี่ยเป็นพาดแพ้พาดโดนมทั้งแรงเราเกิดมาเนี่ยอะไรที่ติดตามมา เป็นสิ่งแรกคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนี่แหละเป็นสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในชีวิต จ, จิตใจของรเราถ้าเราละทิ้งความรู้สึกตัวละทิ้งสติตอนนี้เรามาประกอบสติมาตือนสติทตําสติให้มันเกิดขึ้นในยาบทต่างๆก็เป็นการพอกพูนความรู้พอกพูนปัญญาเป็นการเตรอนภาวนาทําให้สจิตนั้นเกิดสมาธิได้ทําให้เกิดปัญญาได้โดยอาศัย ส, สติ เป็นสิ่งที่มนารู้เป็นฐานแรกท่านมหาสตินี้จึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในบรรดาของพันทั้งหลายประเสริฐมากเพราะมีคุณมากมีอานิสงส์มากในการที่จะเจริญกุศลธรรมต่างๆหากวัตถเกิดขึ้นแล้วกุศลต่างๆก็จะเจริญงอกงามเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีอยู่อยู่ด้ว่าพระจารย์สติไม่มีสติแล้วเนี่ยอกุศลเอกุศลธรรมต่างๆเจริญงอกงามเกิดขึ้นความโลภก็เกิดขึ้นความเกิดก็เกิดขึ้นความหลงก็เก mm ิดขึ้น ความมัวเบาคประมาทเกิดขึ้นมาเพราะปราบ จ, จากักรสิในการที่จะรู้เท่ารู้ทันเพราะนั้นเราจึงต้องมาฝึก้วยการกระทําให้ติดต่อการกระทําให้เกิดให้มีขึ้นเป็นการสร้างจังหวะยกมือขึ้นเอามือลงเนี่ยเป็นอุบายในการที่ทําให้ความรู้สึกของเรานั้นมันเกิดขึ้นรู้สึกติดต่อเพราะว่าถ้าว่าเรามากําเบดแต่เพียงลมหายใจอย่างเดียวแล้วเนี่ยบางครั้งอินทรีย์ของเรามันอ่อนไม่สามารถที่จะกระเบดอารมณ์ที่ละเอียด ได้จิตก็ย่อมเผยวัติอยู่กับอารมณ์ความทุกข์บยแต่ถ้าเราบะยกมือเคลื่อนไหวมันแรงๆเนี่ยมันรู้สึกที่แรงๆขึ้นมาเนี่ยควาสรู้สึกนี้มันจะปรากฏชัดความห่วงเหงาความสรุนสรือความจิตจิตมันไม่เป็นสมาธิมันก็จะหายไปบะยกมือขึ้นรู้สึกขึ้นมาอยู่กับความรู้สึกนั้นเป็นอารมณ์อยู่ที่ทําให้จิดเต่ตอยู่กับความรู้สึกนั้นจะตตื่นโพลงอยู่เมื่ออะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับกายก็ดีกับจิตก็ดี นัมันก็จะกำหนดรู้ทรู้ทันเพราะฉะนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มาฝึกสตินี้จงใช้ความเพียรที่ควรพยายามสร้างสติสร้างธาตุรู้สร้างาททธาตุพุทธนี้ให้เกิดให้มีขึ้นเกิดตัวของเราเองเพราะว่าการเรยสตินี้ต้องเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่ต้องกระทําหากาสติมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็สา ม, มารถที่จะนําคำผลิติัณร์ต่างๆให้เกิดขึ้นได้อีก ท่าสติดีสมาธิหมายถึงความตั้งใจก็มั่นคงแน่ๆประคับประคองจิตให้อยู่เป็นสมาธิได้เมื่อสมาธิมันดีมีการตั้งใจดีใจไม่วอกว่าใจไม่ฟุ้งซ่านใจไม่คิดเลื่อนลอยใจเป็นปกติจกใจสงบแล้วเนี่ยใจผ่องใสแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุเป็นประจัยการรู้เท่ารู้ทัทนของการพรงแต่งคือแบบจะเกิดปัญญาในการรู้เท่าทัานต่ออาการของจิตหรือการปรุงแต่งของจิต ในขณะที่จิตทิ่เป็นสมาธิะสติก็จะรู้อยู่ปัญญาก็จะเห็นอยู่ตามความเป็นจริงในขณะที่จิตมันฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่สงบจิตไม่อยู่กับที่จิตมักจะคิดกับอารมณ์ไหลกับอารมณ์สติก็จะรู้สึกทันฉะนั้นตัวสติที่กล่าวนี้จึงเป็นสติปรฏฐานในการที่จะกําหนดรู้ในฐานทั้งสี่คือกายเวทนาจิตธรรมที่เมื่อกล่าวตามหลักทองปฏิบัติธรรม แล้วเนี่เราจะสรุปง่ายๆว่าเวทนาจิดธรรมเนี่ยเป็นหลักของนามธรรมที่ปรากฏอยู่เป็นสิ่งที่ไม่มีตัวมีตนอะไรหรอกมันเป็นเพียงปรากฏ ก, การณ์รูปเป็นเพียงความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นกับจิตกับใจเรียกว่าเป็นนามธรรมที่นิสัยเป็นรูปธรรมก็ดเดีกร่างกายของเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมันยืนมันเดินนั่งนอนคู่เหยียดขึ้นไหวมองเห็นกันดูวตาสัมผัสกันด้วยร่างกายเนี่ยเรียกว่าเป็นรูปธรรม รูปธรรมองห์มรรติการดูรูปมีสติดูรูปเห็นรูปเข้าใจกายเคลื่อนไหวรปมาสติตามรู้ตามดูเห็นอยู่บ่อยๆมันจะพูดยังไงก็รู้ทันมันจะคิดยังไงก็รู้ทันมันจะทําอะไรก็รู้ทันมันนี่คือว่าเป็นผู้ที่เจริญสติที่เป็นภานในกายรู้กายเห็นกายอยู่ไม่ละทิ้งไปจากกายเพะนั้นเมื่อจะดูกายอยู่บ่อยๆเห็นกายอยู่บ่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นจิต เพราะิตกับตาเป็นสิ่งที่อาศัยอยู่ด้วยกันรูปกับนามไม่อยู่ด้วยกันพระการเริุปัสนากรรมฐ า, านนันจึงให้กําหนดรูปนามเป็นอารมณ์รูปนามเป็นอารมณ์รูปนามก็ได้แก่ร่างกายจิตใจหรือขันธ์ห้าที่เลี่ยงกันตามภาษาพิธีธรรมนี่แหละก็ได้แก่ร่างกายและจิตใจเหล่านี้เองแล้วขันธ์ห้าเนี่ยทีนี้เนมะื่อเรามากําหนดดูรูปทำดูนามทำอยู่อย่างนี้เป็นอารมณ์ในขณะปัจจุบันเราก็จะเห็นตามความเป็นจริงแล้วว่าร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ จะรู้จะเข้าใจแล้วก็สภาวะของจิตหรือการปรุงแต่งของจิตหรือเร่อของนามมาทำที่มันเกิดเกิดแบบแบบอี่นั้นเราก็จะรู้จะเข้าใจประการที่เขาเตัวมีสติรู้เท่ารู้ทันมันอยู่เพราะฉะนั้นการเริิปัจนากรรมฐานจึงเนในในริ่มต้นโดยการฝึกสติเริ่มโดยการฝึกสติทาําสตินั้นให้เกิดให้มีขึ้นเพื่อที่จะบังคับประคองสมาธิและให้เกิดองคแห่งปัญญาในการที่จะรู้รรเท่ารู้ทันต่ออารมณ์ความรู้สึกเมื่อคิดรู้กิเลสต่างๆที่มันจะเกิดขึ้น เพราคนเรานี่ยากที่จะรู้แต่เห็นความคุดกับเห็นอารมณ์ของตัวเองเมื่อเกิดความคิดเกิดการปรุงการแต่งอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วมักจะหลงกับอารมณ์หลงกับความคิดยึดมั่นถือมั่นในความคิดกับอารมณ์ต่างๆ่เหล่านั้นถือเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นอัตตาของเราไม่รู้รู้ไม่รู้เท่ารู้ทันว่าวมันเป็นเพียงสภาพหึือสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดัดไปเช่นนั้นฉะนั้นการที่มาเจริญวิปัชนากรรมฐานเนี่ยก็เพื่อที่จะมารู้แจ้งในสังขาร ทำความรู้เท่ารู้ทันต่ออารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นภายในจิตในใจของเรารู้จัก ส, กสงบระงับอารมณ์ต่างๆล่านั้นให้มันดับให้มันคลายจางให้มันหลุดมันพ้นออกไปให้เหลือแต่จิตรู้ทิตสิ่งที่เป็นภาตุรู้ธาตพุทธะนั้นปรากฏเกิดขึ้นมาแทนเพราฉะนั้นธาตุพุทธะคือธาตุรู้ที่เป็นสติตัวปัญญาตัวญาณตัวความรู้สึกที่แจ่มแจ้งนี้ต้องอาศัยการเจริญการกระทําให้เกิดให้มีขึ้นเพราะอะไรทุกคนก็มีภาตุรู้ มีธาตุพุทธะนี้อยู่ด้วยกันแล้วเจอกันทุกคนแต่ว่าเราจะเจรินให้เกิดให้มีขึ้นหรือให้มากขึ้นหรือไม่นั้นเองความรู้สึกตัว น, น้อยจากเราดูลมหายใจก็ดีจากดูกายที่เคลื่อนไหวไปมาอยู่นี้ก็ดีจากการกำหนดอุญญาบทโดนจงกลงสร้างจังหวะนี้ก็ดีเป็นการทำทาธาตุพุทธะคือาธาตุรู้นั้นให้ตืน่นให้เบิกบานขึ้นมาะทําให้ตืน่นให้เบิกบานขึ้นมาทําให้มีให้เป็นขึ้นมา พราะฉะนั้นต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อในการที่จะกระทํางเด้วยศรัทธาอย่างแรงกล้าในการที่มันเพ่งความเพียรไม่อยอมแพ้ต่อความทุกข์ความลําบากที่จะพุงเกิดขึ้นในการประพชิปฏิบัติอาศัยริยาความภาคเพียร ม, มันกระทําให้ติดต่อต่อเนื่องในการกาหนดดูความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นแล้วก็อาศัยสติระลึกรู้ทั่วในกายก็ดีในจิตก็ดี มีสติตระลึกรู้สุกตัวเพื่อพร้อมอยู่แล้วก็อาศัยสมาธิคือการตั้งใจหมายถึงการที่จะตั้งใจกระทําอย่างจริงจังตั้งใจกระทำํำอย่างมั่นคงจนกว่าที่จะเกิดความรู้เกิดปัญญาในการจะรู้เท่ารู้ทันจิตใจของตัวเราเองเพราะสิ่งที่เป็นความทุกข์ทางด้านจิตใจเนี่ยส่นมากเราจะไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักที่จะดับมันเมือมันมเกิดขึ้นมาแล้วก็หาวิธีแก้วิธีดับไม่ถูกต้อง